พุทธัสสสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะในการสรรเสริญสนทนาในการที่จะใช้พุทธวจนะมาตอบ นำเอามาสนทนาในรายการนี้กับพระไพบูลย์อภิปุณโณเนี่ยล่ะค่ะคือ หาความเจริญหรือความไม่เสื่อมของเอ่อทางคํา นําบพยัญชนะใช้ถูกนะความหมายแห่งบพยัญชนะก็ถูกอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่อง นะทีนี้ในทางคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคนที่สอนคือคนที่คิดอยู่นั่นจะเป็นเอ่อผู้ที่ แสดงธรรมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูนะแสดงธรรมนี้ไม่ใช่สอนนะแต่ น่ะเป็นความทุกข์ร้อนอันใหญ่หลวงของสังคมทันใดเพราะว่าตอนนี้ปุโรหิตาไม่อยู่ก็ไม่ๆแล้วคุณ ยังอยู่แล้วก็เอาคําสอนตรงเนี้ยมาเป็นอาจารย์แทนจ้ะไหน การการบอกต่อการเล่าเรียนการกําหนดบทพยัญชนะนั้นจะต้อง แต่แม้จะถึง <Okay. S 1> 3 พูดถึงว่าเอ่อพวกภิกษุเนี่ยคือพูด 4 ก็ ปฏิบัติเพื่อกิจแห่งวิเวกธรรมนะตรงนี้พูดเอ๊ะพระผู้เจ้าฝากศาสนาค่ะฝากศาสนาไว้กับพระนั่นค่ะ ปานนอนดีจะตายเป็นปุโผสูดด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องทําความเข้า ธรรมะคือผู้สอนนะธรรมะคือผู้สอนแล้วตนตัวเราตามรวยก็ตามนะคือตนแต่ละตรงต้องปฏิบัติดีด้วย นะพอเค้าทําเสร็จปุ๊บทําไปทําไปเค้าปฏิบัติถูกรู้รู้ความเห็นแจ้งนั่นคือพุทธะพุทโธนะเอาตรงเอาตนเป็นตัวกลาง 3 เหลี่ยมมาอันหนึ่งนะ 3 เหลี่ยมมาอันหนึ่ง นะตรงกลางของสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือตัวเราตัวตนนะนะธรรมะนิเทศบพุชเจ้านะพุทธเจ้าสอนไว้ละนะสมณสัมพุทธเจ้าสอนไว้ละนะไหลเข้ามาปึ๊บเอ๊ะเราปฏิบัติดีนั่นคือสังฆาที่อยู่ในตัวเราคือด้านขวาเราต้องเกิด จริงก็มีปลอมก็มีคุณโยมติ๋วนะไม่รู้แต่อันนั้น เป็นคนละอันกับสมณะโคดมนะคือตัวสมณะโคดมมีจิตเป็นท่านก็บรรลุนิพพานไปแล้วจะเอาใครอ่ะจะเอาตัวอาตมาเป็นเป 80 ปีอย่างเงี้ยมันก็ คุณจะทํายังไงอ่ะเอาต้นไม้นี่พึ่งแล้วเก 3 เกิดในใจเราแล้วนั่นน่ะคือคุณสามารถ ว่าให้พึ่งพระพุทธ์พระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจเราแล้วเห็นอริยสัจมาทําคือสงฆ์ในใจเราเกิดพุทธะผู้โตถ์ ท่านได้ตรัสมอบไว้หมดแล้วว่าวิธีการที่ใช่แต่ว่าในคําสอนนั้นดูเหมือนกับว่าท่านกล่าว เอ่อภิกษุที่กนผมผมเหลืองด้วยใช่มั้ยค่ะค่ะแต่ดิฉันว่าใช่ค่ะแต่นอกเหนือจาก พระสงฆ์แล้วเห็นอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาด้วยปัญญาใช่นะเพิ่งพระพุทธสมมุตินะคะเรียนไม่รู้อืมแต่แต่อืมๆนะอืมตามคําสอนเลยก็เท่ากับว่า ค่ะแล้วก็จะเห็นอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาด้วยปัญญาทีนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูเวลานิดนึงยังพอได้มั้ยได้ๆเอาเอาอย่างง่ายๆแล้วเห็นอนิสงส์อะไรเฮ้ยเราจะ YouTube ว่า 3 เพราะ ถ้าสมมุติมีคนมากล่าวหาเราสบายใจได้เลยเค้าค่ะทีนี้เราอืมอ่าแต่อ่า สำหรับในเรื่องนี้ยังคิดว่าเราว่าใน นั้นในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่เส้นศรัทธาอยู่ที่ไหนคือกุลบุตรเนี่ยพึงค่ะนั่นคืออะไรธรรมะไงธรรมะแต่ คุณๆอย่าไปว่าคือมันมันมีลึกกว่านั้นนะพระธรรมต้องไปกราบไปไหว้แต่มันมีลึกกว่านั้นอยู่เป็นอะไรอ่ะเอ่อแล้ว ตัวเรารู้นั่นเองค่ะอืมเอ่อก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งว่าเราไปต่อประเด็น มีประโยชน์ยิ่งใหญ่มากประโยชน์ยิ่งใหญ่มากก็ขอให้รู้ว่าและจากดต่อๆๆต่อไปยังคนอื่นด้วยถูกต้องค่ะสาธุ <นะคะ, S 1> พระเปโบนีผู้บิณฑโณแห่งวัดป่าดอนหายสุจังหวัด FM 106 นะคะก็เป็นโอกาส ติดตามรับฟังราย